กับบูชาพระรัตนตรยัยกับบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงป่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความรบมายังพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินปันเตเพื่อนสาธมิ ก, กเจริญพรมายังไม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนะด้วยความระลึกรู้สึกตัว วันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสอง9สิบก้าก็ขึ้นเดือนใหม่เนาะแล้วก็การเข้าบรรษาของพวกเราก็ผ่านมาเกือบสองอาทิตย์อีกสองวันก็ครบสองอาทิตย์พอดีก็ถือว่าเวลาเนี่ยได้ผ่านไปอย่าง <c oughs> รวดเร็ว นะถ้านับเวลานี่ก็เหลือเวลาอีกสิบอาทิตย์ก็นั้นแหละนะออกพรรษาแล้วสำคัญคือว่าเวลาที่มีอยู่เนี่ยนะเราจะทำอะไรนะที่จะเป็นประโยชน์นะกับชีวิตนะกับตัวเราเองกับสังคมที่เราอยูนะ่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนนะก็คงจะได้ช่วยกันเนาะ ในการที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยนะสามารถที่จะผ่านพ้นนะความทุกขนะ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มาครอบงำนะเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเวลาที่ผ่านไปนะเราใช้ไปเพื่ออะไรนะมีบทอยู่บอกว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะนี่เป็นเรื่องที่ เราก็ได้พิจารณามีบทพิจารณาอยู่บ่อยๆในช่วงข้อบรรษานะเราก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะที่พวกเราได้มาอยู่รวมกันนะได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมได้มาทํากิจส่วนรวมนะซึ่งช่วงเนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะเป็นเวลาพิเศษจริงๆนะทีนี้ <c oughs> ถ้าเรามัวเอาเวลา นะไปทำอย่างอื่นเช่นไปหลับไปนอนนะไปหาความเพลิดเพลินสนุกสนานเฮ้ยฮ่านะมันก็จะทำให้เวลาที่ผ่านไปเนี่ยก็เป็นเวลาที่สูญเปล่าไปนะไม่ได้เกิดประโยชน์นะกับการที่เราจะออกจากความทุกขนะ์ซึ่งตรงนีนะ้มันน่าจะเป็นเป้าหมายนะของการที่เรา มาอยู่วัดอยู่ว่านะจะเป็นพระกะด็ดีเป็นชีกด็ดีเป็นโยมก็ดนะีเราก็มุ่งหวังตรงนี้นะอย่างที่เราได้สาธยายมนต์ไปเมื่อสักครูนะ่สิ่งที่เรามาเพื่อที่จะออกจากความทุกขนะ์มันไม่สามารถจะออกได้ด้วยการได้ยินได้ฟังแล้วก็พอใจแค่ได้ยินได้ฟัง นะหรือบางทีก็เอาไปคิดต่อนะคือถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัตินะไม่ลงมือกระทำนะมันก็ไม่เกิดผลคนะรูบาอาจารย์ที่มาพูดมาคุยมานำเสนอนะก็พูดที่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยนะซึ่งเราได้ยินได้ฟังเราก็น้อมนำนะเอาไปปฏิบัตนะิถ้าเราฟังเฉยๆนะก็เรียกว่าได้แต่ปริยัต นะได้แต่ความทรงจำความจำได้หมายรูนะ้มีความพออกพอใจในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราไม่เอาไปปฏิบัตนะิมันก็แค่นั้นแหลนะทีนี้เมื่อเราเอาไปปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเกิดผลนะก็เรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเบศนะเรียกว่าครบถ้วนทั้งสามส่วนนะถ้าเราฟังเราอ่านนะแล้วเราก็ไม่ได้อาพปฏิบัติ ก็แนะค่ปริยัตเท่านั้นเองนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่รู้จำรู้จักนะแต่ยังไม่รู้แจ้งรู้จริงการรู้แจ้งรู้จริงนั้นจะต้องเ ก, เกิดจากการปฏิบัติหรือการกระทำลงไปนะโดยเฉพาะในรูปแบบของการปฏิบัตินะการเจริญสติตามแนวมหาสติปัฏฐานนะหรือสติปัฏฐานสูตรนะซึ่งที่วัดป่าสุขโตมีรูปแบบที่ชัดเจน นะก็คือการเคลื่อนไหวนะการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะตรงนีนะ้เป็นรูปแบบหนึ่งนงใน5นะที่เผยแพร่ได้ทั่วโลกนะแล้วก็เป็นวิธีการที่มีการยืนยันนะไว้ในพระไตรปิฎกนะเพียงแต่ว่าพูดไว้สั้นๆนะเมื่อคู่เหยียดเคลื่อนไหวก็ให้รู้สึกตัวนะจากคำสั้นๆตรงนี้ นะครูบาอาจารยนะ์ก็ได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาทาออกมาเป็นในรูปแบบนะจะเป็นการยกมือก็ดีการเดินจงกลุมก็ดีการเคลื่อนไหวก็ดนะีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นรูปแบบที่มีชัดเจนนะเพียงแต่ว่าเราได้ลงมือทําหรือยังและทําแล้วมันต่อนเนื่องไหมนะ แรกๆนะเราก็อาจจะเออมันก็เป็นวิธีการที่ทำได้ง่ายๆเนาะไม่ยากเนาะนะเราก็ตั้งใจมีความสนใจนะที่จะทำนะแต่พอเมื่อทำลงไปเนี่ยนะมันก็มีสิ่งที่เอามาขัดขวางนะขัดขวางไม่ให้เราทำอะไรบ้างอะสิ่งที่มาขัดขวางเนี่ยนะเช่นความง่วงนะความเบื่อความฟุ้งซ่าน ความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะความปวดความเมื่อยนะตรงนี้เนี่ยนะบางทีเมื่อเราพบประสบนะเราก็รู้สึกท้อนะถอยนะไม่ทำต่อนะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นด่านนะที่มาให้เราได้พยายามนะใช้ความพยายามในการที่จะผ่านพ้นอารมณ์เหล่านี้ไป ไม่ว่าจะวิธีการไหนก็ตามนะสีนะ่ห้าวิธีหรือหลายวิธีก็ตามมันจะต้องผ่านอารมณ์พวกนี้บางคนก็ไปคิดว่าโอ้ทำวิธีนี้นะมันฟุ้งซ่านมากนะไปนั่งหลับตาดีกว่านะสงบเงียบๆดีหรือนะ <c oughs> บางคนบอกว่ามันต้องมีกา ร, รบริกรรมด้วยนะเพราะว่ายกมือเฉยๆเดินเฉยๆมันบางทีมันไม่เคยรู้ตัวนะต้องมีกา ร, รบริกรรมนะนั้นก็เป็นเรื่องของ วิธีการนะที่จะแตกต่างกันออกไปนะแต่โดยสรุปแล้วมันจะเป็นวิธีใดก็ตามนะเราต้องเจออารมณ์เหล่านี้ขอให้เราอดทนนะอดทนแล้วก็มีความพยายามมีความเพียรในในการที่จะผ่านอารมณ์พวกนี้การผ่านอารมณ์พวกนี้เนี่ยก็คือต้องแข็งใจหน่อยแข็งใจที่จะกระทำให้มันต่อเนื่องนะโดยเฉพาะในรูปแบบเนี่ยทำให้เยอะ นะทําให้มากๆโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่นะพยายามทําให้มากๆไม่ต้องไปอายนะบางคนอายยกมือไม่อยากไม่อยากยกนะไม่กล้ายกนะต้องนั่งนิ่งๆสงบนะโออย่างเงี้ยสบายนะดูมันท่าทางดีนะยกมายกมือมันเก้กเกังกังนะบางคนก็มีอาตมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะสมัยที่ไปเรียนกัรหลวงพ่อเทียนใหม่ๆ แต่ก่อนเราเคยนั่งหลับตาโอ้สบายเท่นะในความ ร, รู้สึกของเราอ่ะนะพอมายกมายกมือเอ๊ะมันมั น, ม, นมันเก๊เกกังกังมันไม่อยากทำนะตรงนี้ <c oughs> มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเออไม่ได้ทำนะบางทีเราเจออารมณ์เบื่ออารมณ์ง่วงอารมณ์ฟุ้งซ่านนะเราก็ไม่อยากทำพอไม่อยากทำจะทำอะไรละ่ะ เวลาว่างๆจะทําอะไรนะยิ่งเราอยู่ที่วัดป่าสุขโ ต, โตเนี่ยงานการก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกนะมีเล็กๆน้อยๆนะอย่างพรวกนี้เป็นวันกรรมกรนะก็มีเอออันนี้เป็นเรื่องปรลาวหน่อยนะส่วนที่เล็กๆน้อยๆมีบ้างนิดๆนหน่อยอันนั้นเป็นเรื่องที่จําเป็นนะอย่างเช่นเอ่อต้นไม้มันล้มนะท่อน้ํามันแตกอะไรเงี้ยก็ต้องไปซ่อมกันไฟฟ้ามันดับอะไรเงี้ย อันนี้เป็นงานเล็กๆน้อยๆอยซึ่งก็ไม่ใช่เป็นส่วนสําคัญนะที่เราจะไปทุ่มเวลาให้กับเรื่องพวกนี้นะบางคนพอปฏิบัติไม่ได้นะเข้ากรรมฐานไม่ได้นะก็หาเรื่องทำทําเรื่องนน้นบ้างทําเรื่องนี้บ้างนะหาเรื่องทำหรือบางคนไม่ทำอ่ะนะก็ไปนอนนะห <c> า <oughs> ความสุขกับการนอนนะตรงนี้ยมันจะทําให้ เทศกาลแห่งการเข้าพรรษาหน้าที่ท่านพระอาจารย์เผยสารบอกว่าเป็นเทศกาลแห่งการฝึกตนเนี่ยมันจะไม่เป็นเทศกาลแห่งการฝึกตนจะละมันจะเป็นเทศกาลแห่งการนอน <c oughs> นะเทศกาลแห่งความอหาความสบายนะซึ่งตรงเนี้ย <c oughs> เป็นเรื่องที่เราจะทําให้เวลาที่มีอยู่เนี่ยมันสูญเปล่าไปนะมันไม่มีค่าไปนะ โดยเพาะเรื่องการทํางานเนี่ยนะจริงๆก่อนที่เราจะมาบวชหรือเราจะมาอยู่วัดเนี่ยเราก็ทํางานกันมาเยอะและ้วนะงานในอาชีพก็ดีงานอาดิเรกก็ดีนะเรียกว่าทํากันมาจนเต็มที่ละการมาที่นี่เนี่ยนะเรื่องงานเนี่ยนะเราเอาน้น้อยหน่อยนะไม่ต้องไปมากนะเอาเท่าที่จําเป็นนะอย่าไปพอเราเข้ า, ขากรรมาฐานไม่ได้เราก็ไปหางานงา น, งา น, นู้นงานนี้ทํา ทำให้มันหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะว่าถ้าอยู่เฉยๆป่าๆมันก็เหงาๆนะาไม่มีอะไรทามันก็เบื่อเบือนะตรงนี้นะซึ่งก็จะทำให้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะการที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตแล้วเรามัวแต่ทำงานทั้งวันนะตั้งแต่เช้าจนค่านะะแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจตัวเราเอง นะบางคนก็ไปเข้าใจว่าเอาการงานก็คือการปฏิบัติทําไงนะก็จริงอันนั้นก็จริงนะแต่ก่อนที่เราจะไปทํางานเนี่ยให้เราได้มีจิตใจมีสตินะเพราะถ้าเราไม่มีสติเราไปทํางานเนี่ยบางทีมันเผลอนะจำได้ว่าเมื่อปีสองปีที่แล้วเนี่ยวันกรรมกรมีอยู่วันหนึ่งนะพวกมีพระรูปหนึ่งท่านก็พยายามเนาะช่วยงานช่วยการแต่รถนี่มันวิ่งเร็ว นะท่านก็เรียกว่ายืนอยู่กลางท้ายแล้วก็จับไม่ดีนะรถวิ่งเร็วแล้วล้มลงมาหัวฟาดเลยเนี่ยโอ้โหตอนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากจริงๆนะการทำงานเนี่ยถ้าไม่มีสตินะไม่มีความรู้สึกตัวนะตรงนี้ก็อาจจะได้รับอันตรายได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราคงจะต้องตระหนักนะในการทำการทำงานนั้น นะขอให้เรามีสติเข้าไปนะตรงนี้เพระาะฉะนั้นตั้งแต่สมัยหลวงพ่อคำเขียนอยู่เนี่ยนะจำได้ว่าสมัยที่มาใหม่ๆเนี่ยหลวงพ่อท่านไม่เคยให้เราทำอะไรหรอกนะให้เราปฏิบัตินะให้เราฝึกฝนตัวเราเองนะงานก็มีไม่มากเล็กๆน้อยๆนะท่านก็ส่วนใหญ่ท่านก็จะทำท่านเองนะท่านไม่ต้องการให้เราม า, ามัวมกมุ่นนะ ยุ่งอยู่กับงานทั้งวันนะฮะแต่ท่านให้เราใส่ใจสนใจนะที่จะฝึกฝนปฏิบัตินะตรงนี้เพราะว่าวัดป่าสุกโตเนี่ยความสงบสงบนะของวัดป่าสุกโตเนี่ยนะเป็นสถานที่ <c oughs> ที่จะเอื้อให้เราได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้เราฝึกฝนหากเราออกไปจากวัดป่าสุกโตเนี่ยเรากลับไปอยู่บ้าน เราไปใช้ชีวิตตามปกติโอกาสอย่างนี้ไม่มีหรอกนะไม่มีที่จะได้มาทำในรูปแบบการเดินจงกรมการสร้างจังหวะนะที่ต่อเนื่องนะต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานด้วยนะไม่ใช่ใ น, น้อยเรานอนสามทุ่มหรือสองทุ่มตื่นตีสามนะตีว่าสัก6ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นเวลาของการเจริญสติได้เต็มที่เลยนะ ทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบหรือแม้แต่ในการในงานนะเราสามารถที่จะเอาไปสอดแทรกเข้าไปนะตรงนี้มันจะทำให้การเข้าพรรษาของเราเนี่ยนะมีคุณค่านะมีประโยชน์แล้วเราก็จะไม่นึกเสียดายนะว่าโอ้มาอยู่พรรษาหนึ่งเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เลยนะเรามัวไปทำการทำงานมัวไปสวนเสเฮฮามัวไปสันทนาการไปพูดไปคุย นะตรงนี้ก็มีนะมีบางบางบางบางคนบางท่านนะมาบวชหนึ่งพรรษานะก็เนี่ยแหละมัวไปสันธนาการมัวไปพูดไปคุยนะมัวไปหลับไปนอนนะไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าที่วัดป่าสุขโตเราเสรีนะเราไม่ได้บังคับอะไรกันเท่าไหร่เราปล่อยให้แต่ละคนดูแลตัวเองนะคนที่มีอินทรีย์มีความตั้งใจมีความศรัทธา นะก็จะได้ประโยชน์นะจากการฝึกฝนส่วนคนที่ไม่ได้ศรัทธามาหรืออาจจะถูกบังคับมานะเคยมีนะพวกกลุ่มปฏิบัติโดนบังคับมาเนะี่ยโอ้ยนะเหนื่อยมากๆเลยนะตัวเขาเองก็เหนื่อยนะคนที่อบรมก็เหนื่อยนะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรกลับไปนะอยู่หนึ่งพรรษานะก็เสียดายบางคนก็บอกมันเสียดายเวลานะที่มาอยู่แล้วก็ มัวไปพูดไปคุยนะไปสวนเสฉะไปทํางานทํางานที่ว่านี้คืองานที่มันมันไม่จําเป็นะนะเพียงแต่ว่าเราคิดขึ้นมาว่าจะจะท ำ, ทำให้นู่นทําให้นี่นะแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนตนเองนะตรงนี้ก็เลยทําให้เราสูญเสียเวลาไปซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายมากการที่เรามาอยู่ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นเวลาทองเขาเรียกว่านาทีทองเลยนะ นาทีทองของชีวิตเด่กก็ได้ที่เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์นะกับเรื่องราวของชีวิตจิตใจของเราเพราะว่า <c oughs> สิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันจะมีมาอย่างที่เราไม่ได้เตรียมตัวก็ได้อย่างเมื่อวานเนี่ยมีโยมอยู่คนหนะึ่งพาทั้งภรรยาแล้วก็ลูกอีกสองคนเล็กๆ <c oughs> มาถวายสังฆทาน ก็ถามว่าโยมมาทําอะไรหรอ <c oughs> จะมาถวายสังฆทานนิดหน่อยให้ลูกสาวอ้าวลูกสาวเป็นอะไรอะลูกสาวตายวะ่ะตายอายุเท่าไหร่ห้าขวบเองอ่ะโอ้ห้าขวบนะยังเล็กอยู่เลยเป็นอะไรตาย่ะเขาบอกเป็นอะไรอ่ะโรคอะไรติดเชื้อในปอดเป็นวันเดียวเสียเลยโอ้น่าเสียดายนะเพิ่งจะเสียไปเมื่อวันที่ยี่สิบเนี่ย นะสิบกวันมาเนี่ยแม่ก็ยังทําใจไม่ได้ก็เศร้าโศกเสียใจนะอยากจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับลูกสาวนะก็ก็เลยเรับสังฆทานเขานะแล้วก็พูดคุยกับเขาเนาะว่าเอาละเขาไปดีและวเขามีบุญแค่นี้แหละเนาะเราดูแลลูกที่เหลืออยู่นะให้ดีที่สุดนะอันนั้นเขาก็ไปดีและวเขามีบุญแค่นี้แหละเนาะก็รู้สึกเขาก็สบายใจขึ้น นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคาดไม่ถึงนะสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงอาจจะพัดพลาดไปนะหรือแม้แต่ตัวเราเองนะก็ไม่แน่นะวันใดวันหนึ่งอาจจะตายไปก็ได้ <c oughs> มีคนก็ส่งเป็นวิดีโอของอาจารย์กัมพลนะเป็นสารคดีเรื่องความตายวิชาสุดท้ายของชีวิตนะเล่าเรื่องตั้งแต่อาจารย์กัมพลยังมีชีวิตนะจนถึงท่าน ตอนท่านจะสิ้นลมนะก็ถ่ายให้ดูซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่โอ้เราดูแล้วเราก็ย้อนกลับมาตัวเราเองว่าโอ้เราจะทำได้ไมเนี้ยนะท่านก็ตายแบบเรียกว่าสงบทีเดียวนะไม่ดิ้นทุรนทุรายนะแล้วก็หลับไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเมื่อสองปีที่แล้วในเดือนสิงหาคมเนี่ยเราก็ได้มีประสบาการณ์ร่วมกัน นะของการจากไปของหลวงพ่อคำเกียนนะซึ่งก็ไปอย่างสงบเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่มันยืนยันนะว่าคนที่จะไปอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการอบรมตัวเตัวเองอย่างดีแล้วนะไม่ใช่ว่า <c oughs> ไปรอให้ถึงเวลานั้นแล้วค่อยออทําจิตทําใจมันไม่ทันหรอกนะเขาบอกเหมือนคนที่ไม่เคย ฝึกหัดว่ายน้ําอ่ะมันตกน้ําเนี่ยนะมันว่ายไม่เป็นหรอกจะไปรอตอนนั้นไม่ได้เพราะนั้นเราต้องฝึกไว้ก่อนนะฝึกเตรียมตัวไว้ก่อนพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความตายก่อนที่ความตายมันจะมีถึงเนี่ยมาถึงเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มาเตือนเรานะเช่นความเจ็บป่วยนะความแก่ความปวดความเมื่อยนะสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นเทวทูตนะ เทวทูตที่มันมาเตือนมาบอกเราอยู่ทุกเมื่อเช่อวันเราเคยฟังมันหรือเปล่าเคยสังเกตมันหรือเปล่าเคยตระหนักมันไหมนะว่าสิ่งเหล่านี้เขามาเตือนนะว่าเนี่ยนะเป็นความทุกข์นะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เขาแล้วก็ผ่านพ้นเขาไปนะไม่ใช่เราหนนะีเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่พอเจอทุกข์อะไรนิดอะไรหน่อยก็หนนะีเช่นมันปวดมันเมื่อย มันเบื่อเราก็ไปหาเรื่องอื่นทาแทนที่เราจะลองดูมันสิเป็นอย่างไงเช่นเรานั่งสร้างจังหวะมันปวดมันเมื่อยเนี่ยเรียนรู้มันสิมันเมื่อยมันปวดมันเมื่อขนาดไหนไม่ต้องหนีมันไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนั่งไปนานๆาทีมันก็หายมันเองนะแต่ถ้ามันไม่หายก็เปลี่ยนอีบทได้นะตรงนี้เราสามารถจะเรียนรู้ได้จาก ความทุกข์จากความปวดความเมื่อยอันนี้เขาเรียกว่าเตรียมตัวไว้นะสำหรับการที่จะเผชิญกับข้อสอบสุดท้ายนะที่ท่านอาจารย์ไปสารพูดนะก็คือความตายซึ่งข้อสอบอันนี้ไม่มีโอกาสสอบแก้ตัวด้ยนะโอ้เป็นเรื่องที่เรียกว่าแก้ตัวไม่ได้ยังชีวิตของการเรียนของเราเนี่ยยังมีโอกาสแก้ตัวได้ใช่แต่ถ้า <c oughs> ตายเนี่ยมันแก้ตัวไม่ได้เลยนะ เคยมีคนถามพระอาจารย์ปาโมดว่าตายแล้วไปไหนเออท่านบอกโอ้ยพวกนี้ยังไม่รู้เลยจะไปไหน่ามาถามแล้วตายไปไหนท่านบอกเอางิ้งง่ายๆนะเดะโยมไป <c oughs> เอากระดาษมานะแล้วลองนั่งนะแล้วนั่งสังเกตนะว่าคิดเรื่องอะไรมากนะคิดอยากได้นั่นอยากได้นี่เอา้าติ๊กไว้คิดโกรธติ๊กไว้เขียนไ อ่าเดี๋ยวอยากได้นั้นอยากได้นี่แล้วลองมาดูซิว่าในกระดาษเนี่ยนะใช้เวลาสักสิบนาทียี่สิบนาทีเนี่ยเรามีความอยากมากหรือเรามีความโกรธมากหรือมีความหลงมากถ้าอยากมากเนี่ยท่านบอกได้เลยนะไปเป็นเปลนถ้าโกรธมากตกนรกเป็นสัตว์นรกเหมือนเอิญ่าน่้ น, นะเออถ้าหลงมากเป็นอะไรเป็นสัตว์เดรัจฉานนะดินะอันนี้ก็คือท่านสะท้อนออกมาว่า สิ่งที่เราคิดเรานึกก็ดีสิ่งที่เรากระทำเป็นประจาก็ดีไอตัวนั้นแหละมันจะส่งผลไปนะเมื่อตาย <c oughs> มันก็จะไปตามนั้นแหละนะแต่ถ้าเรารู้เราเห็นนะเราปล่อยเราวางนะมันก็เรียกว่าไม่ต้องไปเกิดนะไม่ต้องไปเกิดนะไม่มีการเกิดไม่มีการตายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเตรียมตัวของเราได้ ในการที่เราจะไปที่สุกติหรือทุกตนะิสุกติก็คือสวรรคนะ์ทุกติก็คือนรกนั่นเองแต่ถ้าเรามีสติรู้เท่ารู้ทันนะไม่ไปเกิดแล้วก็ไปสุขโตใช่ไไปสุขโตไปแล้วด้วยดีสุกติก็ไม่ไปทุกติก็ไม่ไปไปสุกโตใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากบทสวดมนต์บ้าง จากการอ่านหนังสือบ้างนะวันมันมะีนะไม่ไปนรกไม่ไปสวรรคนะ์ไปทางทีเ่เรียกว่านิพพานนะอย่างเคยได้ยินหลวงพ่อเทียนนะท่านพูดท่านบอกแปเอาคำคนโบราณมาสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีสติเอนะอนนี้พวกเราคงเคยได้ยินกันมาบ้างนะถ้าได้ฟังเทพของหลวงพ่อเทียนหรืออาจจะเคยอ่านหนังสือ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเลือกได้นะชีวิตของเราเลือกได้ที่จะเป็นอย่างไรไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพรมลิกิตรมลิกิตเป็นเรื่องของพราหมณ์นะเขามีความเชื่อว่าชีวิตเนี่ยถูกกำหนดมาแล้วโดยพระพรหมซึ่งอันนั้นเป็นความเชื่อของพราหมณ์คนไทยชาวพุทธเราส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะ แตบางทีก็แล้วแต่โชควาสนาแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่าอะไรเงี้ยเรียกว่ายอมจำนนนะนะแต่พระธศาสนาเราไม่ไม่ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นเราเชื่อการกระทําไม่ได้เชื่อในพรหมลิขิตแต่เชื่อในกรรมลิขิตกรรมลิขิตคือการกระทํากระทําให้มันถูกต้องต่อเนื่องมันก็จะเกิดผลนในทางที่ดี แต่ถ้าเราไปทำกรรมที่ไม่ดีนะมันก็ได้ผลเหมือนกันนะได้ผลในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทเลยนะแม้แต่การกระทำการกระทำคำพูดและความคิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลที่จะเกิดขึ้ น, นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งดนบันดาลไม่เกิดขึ้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหลายขึ้นอยู่กับการกระทำของเร า, าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่เรา จะได้ใช้เวลานะที่มีอยู่ในแต่ละวันแต่ละวันนะให้เกิดประโยชน์ในทางธรรมนะก็คือการเกิดประโยชน์แก่ชีวิตแก่จิตใจของเราในการที่เราจะยกระดับนะของจิตใจของเรานะที่คุ้นเคยหมกมุ่นนะอยู่กับสิ่งที่เป็นความทุกขนะ์ทำให้เกิดความทุกขนะ์ทให้หนักอกหนักใจหรือนะทาให้เราไม่สบายใจ ตรงนี้เนี่ยเพื่อจะได้ปลดเปลื้องปลดปล่อยจิตใจของเราออกจากความโลภความโกรธความหลงจริงๆความโลภความโกรธความหลงมันก็ไม่มีหรอกแต่มันมีความเคยชินที่จะเกิดความเคยชินที่จะเกิดนี่แหละที่เป็นตัวทาให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นมันเข้ามาครอบงำได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องอาศัยสติปัญญา ที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เป็นนึกไปคิดนะไปจินตนาการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนีนะ้อย่างที่เราสาธยายพนไปเมื่อสักครู่เนี่ยสัพเพสังขาราอานิจจานะสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงนะสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกขสัพเพธรรมานตานะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้เป็นนึกไปคิดเอาไม่ได้นะแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราฝึกฝนแล้วก็ผ่านประสบะการณ์การเห็นด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่นึกคิดเอาเขาเรียกว่ายานปัญญานะซึ่งเกิดจากการที่เราฝึกฝนเอาง่ายๆกระแดกการปวดการเมื่อยเนี่ยมันก็มีเกิดมีดับเเวลามันปวดมันก็เกิดขึ้นพอมันหายมันก็ดับไป อันนี้ง่ายๆเลยนะความคิดความนึกก็เหมือนกันมันมีการเกิดมีการดับนะอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมให้เป็นอย่างใจเราได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราฝึกฝนจเจริญสติอย่างต่อนเนื่องมันจะเห็นตรงนีนะ้มันไม่เห็นด้วยการไปอ่านหนังสือเอาด้วยการไปคิดเอาอนั้นไม่ใช่ของจริงหรอก ธรรมะแท้ๆมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราดูลงไปตรงนี้นอ่านลงไปตรงนี้ตัวอ่านตัวดูคือตัวความรู้สึกตัวตัวสติตัวปัญญานี่นเองตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราอย่าได้มัวเสียเวลากับเรื่องอื่นเลยขอให้เราใช้เวลาเนี่ยกับเรื่องนี้นให้มากที่สุด ในการที่จะมาศึกษาในการที่จะมาเรียนรู้เพราะฉะนั้นในบทที่บอกว่าภิกษุนั้นเลี้ยงชีพด้วยศิกขาและธรรมอันเนี้ยตรงเนี้ยเราจะเป็นการเลี้ยงชีพจริงๆศิกขาก็คือการปฏิบัติไม่ใช่การศึกษาด้วยการอ่านการจําอ่านจําแล้วเอามาปฏิบัติเอามาทําอันนั้นก็จะเรียกว่าศิกขานะเรียกว่ามีการฝึกฝนมีการอบรมตัวเอง มีการเรียนรู้ในะอุปสรรคต่างๆควา ม, มง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านอะไรทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเราผ่านไปได้มันก็จะไปเจออารมณ์ที่มันเบาสบายโป่งโล่งนะธรรมชาตนะิเดิมแท้ของจิตเนี่ยนะมันมันไม่หนักไม่หนวอย่างนั้นมันไม่ทึบไม่มืดนะมันส่องสว่างมันกระจ่างใสนะตรงนี้เราก็จะได้สัมผัสกับสภาพจิตใจ นะที่ท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าสะอาดสว่างสงบนะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายนะของการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเข้าพรรษานี้ขอให้เป็นช่วงแห่งการฝึกฝนตนเองเรื่องอื่นๆนั้นเอาวางไว้ก่อนนะเป็นความสนุกความสะดวกสบายสันทนาการเนี่ยน้อยๆหน่อยอย่าไปมากนะ ถ้าเป็นไปได้ก็ปลีกวิเวกซะนะอย่าไปคุกคีเป็นหมู่เป็นพวกนะลองดูสิความเหงามันเป็นยังไงแล้วผ่านมันได้ไหมความเปรี่ยวเปล่าว้าวเวผ่านมันได้ไหมด้วยตัวเราเองอะไม่ต้องอาศัยกลุ่มไม่ต้องอาศัยเพื่อนไม่ต้องอาศัยคนอื่นไม่ต้องอาศัยกิจกรรมอย่างอื่นลองดูสินะวันหนึ่งสิบชั่วโมงลองทํำดูดิมันจะเป็นยังไงนะ สิบชั่วโมงเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยมีเวลาว่างเนี่ยนะลองดูซิมันจะคุ้มค่ากันแล้วกันนะนะกับการที่เราได้มาอยู่ในช่วงก้าววันสานี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจ ะ, <c oughs> ะแบ่งปันนะนำเสนอนะเพื่อพิจารณานะถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์นะก็ลองไปทำดูถ้าเห็นว่าไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ก็เอาวางไว้ที่นี่แหละนะ ก็ฝากไว้ในช้า ว, วันนี้นในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตรนไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือสี่สัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวั น, นทั้งภายในและภายนอกตัวเราพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน นะด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญาขอสิ่งเหล่านี้เป็นพระวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านนะได้ออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขกเกษมสารมีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าในเร็ววันนี้ด้วยโดยทุ่นหน้ากันเทินเจริญพร